อาศัยที่บรรดาๆก็ๆคือทั้งการตั้งเสาเสก พอหาทันมั้ยก็บอกว่าถ้าสร้างเบาๆแบบนี้พอไหวครับญาติโยมก็มีเมตตามากช่วยกันที่ก็ต่างคนต่างช่วยไม่ต้องไม่ต้องความจริงก็เงินทอง 100 บาทบ้าง 1,000 บาท ของใหญ่มาจากของเล็กของมากมาจาก คือว่าไม่ต้องสวยสุดงามอะไรซ้ําใช้สัดส่วนตาม ต่อมาท่านก็อีก 12 วาพอ 6 วา 6 วา 12 เมตรกว้าง 12 เมตรยาวเท่าตัว de bank para kiet ban, de het para kiet kon het lang of een pak en moeder tam pai, we wat lang เพราะถ้าตายทันทีถ้าเป็นตายลงไปเวลานั้นเสร็จพระเจ้าลำบาก พระพุทธรูปเป็นพุทธบูชาเรา แต่บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ช่างเค้าทําเป็นพระพุทธจินาราทจะสวยงามดีเฮาก็ว่าอะไรว่าตามกันค่อยๆเพราะว่าท่านพูดมาท่านบอกมาไม่ผิดจริงๆเพราะวันนี้ถ้าใครไปพบเค้านั้นจะบอกอาตมาบอกนะแต่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ไม่ยืนยันเพราะว่าท่านห้ามบอกสถานที่ของท่านแต่บังเอิญโชคดีไปพบท่าน ถ้าเราถวายความเคารพด้วยจริงความจริงใจหลังจาก กระจกก็ติดไปกระจกเพื่อนท่านบอกให้ปิดกระจกก็ปิด 7,500 บาทต่อมาก็มาพบกระจกที่มี กล่อง 8,500 บาทเมื่อพบ 8,500 บาทเป็นพื้นฐานๆๆละน้อยๆละน้อย ห้องพระที่เป็นหนังเนี่ยปิดกระจกใส่รอบ ก็กระจกเวลานี้เราใช้อย่างดีกล่องละ 8,500 บาทในในกล่องในกล่องใหญ่นั้นก็มีกล่องเล็กรังใหญ่รังใหญ่ก็มีกล่อง คนละกล่องคนละกล่องแล้ว 4 คน 1 กล่องก็ใช้ได้กล่องๆคราว แม้ว่าใครตั้งคนตั้งก็รับต่างคนรับเห็นที่ปิดแล้วก็ชอบอกชอบ นึกชอบใจมานานพอ 2-3 ต้นก็มีญาติโยมพุทธศาสนิกชนช่วยกันซื้อกระจกใกล้คุณนิรัตน์ช่วยคิดราคานิรัตน์รหสุรโยทินคนนี้ช่วยงาน ถูกมากแปลว่าช่วยวัดได้ดีมากช่วย ไปหาผู้จัดการเขาเขาจะซื้อด้วยเงินสดในเมื่อผู้จัด คนนี้ไล่ เป็นเครื่องฝาปิดมั่งแล้วบางบางฝาหลังๆพระพุทธรูปคนนั้น นึกก็รวมความว่าวิหาร 6 ด้าน 7 สีและของ แต่ความจริงตอนแรกก็ไม่คิดว่าเริ่ม ต่างคนต่างก็คิดต่างก็ช่วยกันจน เป็นเงิน 1,264,341 บาทค่า 4,477,785 บาทรวมค่าบาททําค่า เอ่อเปินนั้นว่าวิหารครั้ง 85 บาท we gaan zoeken naar de waarheid. We gaan zoeken naar de waarheid. We หน่วยงานข้าพระศาสอบรรพายงานสงกรานต์เนี่ยญาติโยมรู้กันต่างคนก็คนละกล่อง 2 กล่องคนละกล่อง 2 จากวิหารนี้จริงๆเมื่อตอนก่อนพระท่านก็บอกว่าพระที่แนะนําท่านบอกว่ามีพระรอมศาลีธาตุตรงนี้และให้สร้างพระพุทธรูปทับก็ ในเวลากลางคืนปรากฏว่ามีดาวขึ้นจากดินคนที่เห็น ไร่ๆกระดูกเอาได้ไร่ ได้การอย่างนี้ย่อมปรากฏกับคนเยอะไม่ใช่โฆษณานะโยมนะพูดตามความเป็นจริงว่าเค้าเห็นกันแล้วการสร้างวิหารหลังนี้ความจริงก็ไม่สร้าง มันเลยพักใกล้กับปุชายคนก็อาจจะมองในด้านไม่ดีนักเธอขอพักข้างในเพื่อ ทำตามความประสงค์ของญาติโยมถ้าเจตนาเต็มจริง พอสร้างชั่วนั้นเสร็จมีความรู้สึกว่าเต็มแล้วพอ ไม่ทําไปทําไปก็ถือว่าวัตถุไม่ใช่สมบัติของเราแต่ว่าอานิสงส์มันเป็นสมบัติ จะสร้างกุฏกรรมฐานอาตมาก็มีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าสร้างเฉพาะห้อง ญาติโยมก็สละเป็นห้องหมากบกตึกหรือไม้เอาเท่านั้นอาตมาก็ 4 เศร้าก็เหมือนกันที่เรียกว่า นึกอยากจะสร้างพระพุทธรูปหน้าตักขนาด 4 ศอกมาตั้งแต่เด็กเวลานั่งเข้าไปบวช จะมีโอกาสได้ 4 ศอกพระองค์มั้ยต่อมามาเจรจาหลวงท่านก็เข้าถึงบอกว่า 4 ศอกก็ แต่แรกตั้งใจจะสร้างแต่ 2-3 องค์องค์ก็สั่งช่างทําราคาเท่าไหร่ช่างจะเพิ่ง แต่ในช่วงทําให้ผมมีข้าว 28 องค์ต่อมาญาติโยมพุทธบริษัทรู้เข้าคนนั้น ถ้ามีอะไรข้องใจก็ถามพระที่มีความเคารพเมื่อส่งข่าวไปถึงท่านท่านก็มามาก็ถาม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 ทีนี้เค้าถามว่าปิดทองก็ถามท่านอีกก็ต้องทรงขาไปหาท่านแล้วท่านก็มาถ้าปิด ก็เป็นนามว่าพระ 28 องค์เพียงไม่ถึง 2 เดือนมีเจ้าภาพหมดอาตมาก็เอ้ามีเจ้าภาพแล้วก็แล้วกันไปแล้วก็ทําเท่านั้นแหละต่อ ขอเป็นยภาพผู้อุทิศให้กับคุณพ่อ เนี่ยเมื่อสร้างที่นั่นแล้วก็ยังไม่จบก็มีญาติโยมทรงสตางค์มาอีกขอสร้างอีกขอสร้างอีกเวลานี้ก็ยังมีอยู่ยังสร้างขึ้นมาที่หน้า 100 เมตรอีก 64 องค์ก็ยังไม่แน่ว่าจะพอมั้ยกันยังไม่ทราบและยังไม่ได้ถามบัญชีเค้าว่า กรมความอธิวัฒน์นี้ทั้งบาท ว่าสร้างทั้งหมดรวม 353 ล้านก็ 327,469 บาท 36 สตางค์ ก็ 197 ล้าน 834,090 บาท 75 สตางค์ถ้า 155 ล้าน 492,475 บาท 61 สตางค์ความจริงเงิน เพราะเป็นเงิน 1 ภาติกรรมสังฆทานอันนี้ไม่น้อยเลยวัตถุบังควนนี่ก็มากแต่ท่านที่ทําบุญไม่จํากัดประเภทอันนี้เยอะแล้วก็บางเดือนก็แสนบ้าง 2 แสน 4 แสน เพราะว่าร่วมในการก่อสร้างหมดอาตมาก็คิดเหมือนกันถ้าเราจะเก็บไว้ใช้มันก็ได้มีสิทธิ์แต่ถ้าว่า บรรดาท่านหลานที่โยมการสร้างสงเคราะห์โรงเรียนนี้มากไม่ช้าน้อยเป็นอัน 70,000 เศษแต่ก็จริงค่า ถ้าอาคารนี้สร้างใหม่อีกมากก็คิดในใจว่า ก็ตอบไม่ได้เลยเพราะท่านสั่งปิดๆคนที่พบท่านแต่ เป็นน้ำใจน้ำใสใจจริงของบรรดาญาติโยมพุทธศาสน์ชายหญิงได้ตั้งใจทําบุญ